ลุจิกจะเป็นชาดกเล่มแรกที่นนะในชั้นของแรกๆกถ้าไปเปิดดูจะเห็นบอกว่าการบําเพ็ญทานเอ่ยศีลเอ่ยเนคามาเป็นต้นนั้นเป็นภาวนาของโพธิทุกจําพวกอไม่ว่าจะเป็นสัมมาสัมโพธิปเจกโพธิและสาวกาโพธินั้นบุคคลปรารถนาจะบรรลุก็คือต้องเจริญทานทานเป็นจาคานุติเป็นทานภาวนาให้ได้ก็คือเอามาระลึกเอามาใคร่ควรเอามาวิจัยให้ได้เป็นต้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้น ก็จะมองเห็นว่าโอ้นี่ไงการเจริญเนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัย ก, การคิดที่เป็นการปฏิบัติเลยเนี่ยนะถ้าหากทำเสร็จแล้วก็เฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยทำงานทั้งโลกก็พังจริงไหมโยบวาพังเลย <c oughs> <c oughs> ท, ำทำทางโลกก็พังจ ะ, จ, ะจะงอกเงยไหม <c oughs> อ้าวให้ให้ยา ด, ดาไปสอนหนังสือ สอนหนึ่งคำกันนั่งหลับอยู่นั่นแหละแล้วยังไงนะนักเรียนก็โอ้โหนี่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนก็นั่งหลับอยู่ยหมดทั้งคู่เลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยมันเรื่องการคิดการวิจัยการทําความเข้าใจทั้งนั้นแหละไม่ใช่มานั่งมึนๆเฉไม่ใช่การเจริญกุศลถ้าเป็นอย่างนั้นละยุ่งเลยใช้มานั่งเฉยๆมึนๆแล้วบุญมันจะเกิดเองเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องการ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 ้บริบูรณนะ์ใครเห็นก็ศรัท ธ, ธาเรื่มใสบริษัทบริวารก็เยอะด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ประการต่อมาสักการะทานให้โดยนอบน้อมเห็นไหมนอกจากคิดในด้านของให้ศรัท ธ, ธาตั้งขึ้นนี่ยังไม่พอนะให้ฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเกิดกระตุน้นทําให้เกิดความนอบน้อมด้วยนอบน้อมให้ด้วยความเคารพพะให้ด้วยความเคารพเบ็เสร็จอย่างนี้นะถามว่ากายกรรมวจญกรรมมโนกรรมก็นอบน้อมแล้วก็นอบน้อมในเจตนาทานนี่ด้วยใช่ไหมให้โดยนอบน้อม ผลออกมาเป็นยังไงล่ะนอกจากจะบริบูรณ์ทั้งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วยังไม่พอบริษัทบริวารก็นอบน้อมเอาอกเอาใจเงี้ยเห็นไหมผลมันจะตามมาอย่างเงี้ยหรือเป็นการละทานถ้าการละทานนี่เขาโห่รายละเอียดเยอะเลยหมาะแก่การเหมาะแก่าแการเวลาที่กําลังจะเดินทางจะไปหรือก็เริ่มตั้งแต่นู่นแหละปลูกข้าวมาก็เริ่มใข้ควร น, นี่เป็นการแก่ฤดูข้าวแล้วนี่เป็นการแก่ผลไม้นี่เป็นการแก่พัดต่างๆเนี้ย ที่ถูกการถูกสมัยต่างๆนียปรถมมาไวมาชิมมาไวปัจฉิมมาไวก็บริบูรณ์เนี่ยบริรณ์เห็นไหมเนี่ยหรือถ้าเป็นไปในกรณีอย่างการที่บอกว่าอนุขณิตาทานก็คือให้โดยอนุคอและตัดขาดถามว่าเออเกิดมาพออยู่กับซัพย์ก็เหมือนกับโยมกินการที่บอกได้มาสละออกได้ง่ายไม่เป็นแค่ปูโสมเฝ้าทรัพย์หรือไปทุกข์เพราะซับมีปัญหาเพราะซับต้องเดือดร้อนปวดหัวเพราะซับต้องมาเฝ้าทรัพย์ให้ใครก็ไม่รู้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 Samgham s h a r a a m g a c c h a